วันนี้เป็นวันพระรหัสที่13เมษายนพุทธศักราช2566เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยที่เรียกว่าวันสงกรารเป็นวันที่เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเ้าที่จะไปวัด เพื่อไปทำบุญกันเพราะบุญเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของพวกเรามีความสุขอย่างแท้จริงและบุญจะเป็นสิ่งที่จะพาดวงวิญญาณของพวกเราไปสู่สุขติและบุญของพวกเราที่เราได้ทำเราสามารถ แบ่งอุทิศให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วให้ได้ไปสุขคติด้วยกันบุญนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในใจของชาวพุทธเราทุกครั้งที่มีวันสำคัญสำคัญอะไรต่างๆ สิ่งที่ชาวพุทธเราจะคิดถึงกันในเบื้องต้นก็คือการทาบุญความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักทรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรารู้จักเลือกวิธี สร้างความสุขให้กับใจของพวกเราเพราะความสุขในโลกนี้มันมีทั้งความสุขจริงและความสุขปลอมความสุขที่เป็นที่อําพรางความทุกข์ไว้กับความสุขที่ไม่ได้อําพรางความทุกข์ไว้นั่นเองความสุขที่อําพรางความทุกข์นั้นคือความสุขที่เราได้ จากลาบยศสรรเสริญจากการได้เสบ ร, รูปเสียงกีนลดผดทะพชนิดต่างๆซึ่งเป็นความสุขที่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นความสุขที่ชั่วคราวเป็นความสุขที่มีวันที่จะสิ้นสุดลงเวลามันสิ้นสุดลง ความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปความสุขแบบนี้ที่เรียกว่าความสุขทางโล ก, กธรรมลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆนี้เป็นความสุขที่เราไม่ควรที่จะเข้าหากันเพราะเป็นเหมือนกับการเข้าหายาเสษติยาเสพติดนี้ ถึงแม้ว่าจะให้ความสุขกับผู้เสพแต่ก็ให้โทษมหันให้ความทุกข์อย่างมหันเวลาที่ไม่สามารถที่จะเสพมันได้เวลาที่มันไม่มีให้เสพแทนที่จะมีความสุขก็จะกลับกลายเป็นมีความทุกข์และไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจทางด้านดวงวิญญาณเลย ตายไปก็จะกลายเป็นจิตใจที่มีแต่ความหิวโหยจิตใจที่ต้องคอยดิ้นคอยหาอะไรมาเสพอยู่เรื่อยเป็นจิตใจที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันจบจัไม่มีวันจ บ, ว, นจบวันสิ้นถ้าไปติดกับการเสพโลกโลกกระทำทั้งสี่ เ, เสพลาบคือทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองต่าง ๆ, ๆเศพยศยศตำแหน่งต่างๆเศพสรรเสริญคือการได้ยกย่องด้วยรังวีรางวัลต่าง ๆ, ๆ, ๆและเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะผ่านทางตาหูจมูกร่นไกายความสุขเหล่านี้เป็นความสุขปลอม เป็นความสุขที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงในภพนี้ชาตินี้ไม่ว่าใครก็ตา ม, มจะต่อให้ได้ราบยศเสรรเสรและความสุขทางรูปเสียงจิตลรโพธะะมากน้อยเพียงไรก็ตาม จะต้องมีวันที่จะต้องสูญเสียความสุขเหล่านี้ไปเวลาที่ร่างกายเข้าสู่ความชราเข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและเข้าสู่ความตายและเวลาหลังจากที่ตายไปความสุขที่ได้จากโล ก, กธรรมนี้ก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปกับดวงวิญญาณได้เลย สิ่งที่จะติดตัวไปกับดวงวิญญาณก็คือความอยากความหิวโหยที่เป็นเหตุที่จะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆต่อไปนี่คือความสุขที่พระพุทธศาสนาไม่ ส, รสนรเสริญไม่ยกย่องเช่นวันนี้เป็นวันปีใหม่อย่าไปจัดงานเลี้ยงฉลองกินเด่มกัน อย่างนี้เรียกว่าเป็นการหาความสุขทางโล ก, กธรรมหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวหลังจากวันนี้ผ่านไปความสุขที่ได้จากการเลี้ยงฉลองก็จะหายไปหมดปล่อยให้ใจรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ปล่อยให้ใจต้องตะเกียกตาหาตะเกียกตะกายคอยหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะมาเสพอยู่เรื่อยๆแล้วถ้ามีอุปสรรคไม่สามารถที่จะไปหามาเสพได้ใจก็จะเศร้าใจก็จะซึมแล้วถ้าไม่สามารถหามาได้อยู่เรื่อยๆนานๆเข้าก็จะกลายเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้ นี่คือโทษของการที่ไปเสพโลกกระทำอย่าไปเสพโลกกระทำอย่าไปแสวงหาราบยศรเส ร, ริญหาความสุขทางจ่าหูจมูกนิ้วกายอย่าไปเสพมัน <c oughs> การหาเงินทองนี้หาได้เพื่อการเลี้ยงปากเลี้ยงทองเพราะมันเป็นเรื่องจําเป็นอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการเสพไม่ถือว่าเป็นการหาความสุข จากเงินทองแต่เป็นการหาเงินทองเพื่อมาปัดเป่าวันวันทาความทุกข์ยากเหือดร้อนของร่างกายเพราะร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีปัจจัยสี่เป็นเครื่องสนับสนุนในการที่จะดำรงชีพยอยู่ได้อย่างปกติสุขถ้าขาดปัจจัยสร่างกายก็จะต้องเกิดอาการชํำรุดสุดโทรม เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยและอาจจะถึงท่านเสียชีวิตไปก็ได้ยิ่งยังมีความจำเป็นที่ยังต้องหาเงินทองกันอยู่แต่ไม่ได้หาเพื่อให้ล่ำให้รวยจนเกินความพอดีคือคือถ้าหาหาเพื่อมาอย่างชีพแต่บางครั้งก็อาจจะ มีความสามารถพิเศษสามารถหาได้มากกว่าเงินทองที่ต้องการมาเลี้ยงชีพก็อย่าเอาเงินทองส่วนเกินนี้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระหรือไปหาแสวงหายศหาตำแหน่งหาหลังวีรางวัลอะไรต่างๆซึ่งคนบางคน ที่หลังจากทรมาหาเินล่ำรวยแล้วมีเงินเหลือเฟือแล้วก็เอาเงินนี้ไปหายศหาตำแหน่งต่อไปไปใช้ซื้อยศซื้อตำแหน่งกันหรือเอาไปใช้ในวิถีการทางการเมืองเช่นในการเลือกตั้งก็ต้องใช้เงินทองคนมีเงินมีทองก็จะมีความสามารถ ที่จะหาตำแหน่งที่ตนเองต้องการได้ถึงแม้จะได้นยดยศได้ตำแหน่งมามันก็เป็นของชั่วคราวดได้มาไม่กี่ปีมันก็มีวาระของมันแล้วในที่สุดมันก็ต้องสูญสลายหมดไปอยู่ดีแล้วถ้ามีใจที่ไม่บริสุทธิ์ไปแสวงหายศหาตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์เพิ่มเติม ให้กับตนและพวกค้อง <c oughs> ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่จิตใจ <c oughs> คือถ้าไปหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบผิดหลักศีลธรรมผิดหลักกฎหมาย <c oughs> แทนที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจ <c oughs> กับกายเป็นโทษอย่างมหารแก่จิตใจ <c oughs> เพราะเป็นการกระทาบาป ที่จะดึงจิตใจให้ลงต่ำหลังจากที่ตายไปแทนที่จะได้ไปสู่สุขติก็จะต้องไปสู่ทุกขติไปสู่อาบายอันนี้อย่าไปหลงกับเรื่องของนาบยศรเสริญถ้าเรามี ส่วนเกินจากการทำมาหากินส่วนหนึ่งเราก็อาจจะเก็บํำลองไว้เื่ออนาคตที่ไม่แน่นอนแล้วถ้ายังมีเหลืออีกส่วนหนึ่งก็เอาไปทาบุญดีกว่าเพราะการทำบุญนี้จะได้ประโยชน์กับจิตใจทำให้จิตใจในขณะที่มีชีวิตอยู่มีความร่มเย็นเป็นสุขเป็นความสุขที่ ไม่มีความทุกข์ตามมาบุญความสุขที่ได้จากการทำบุญนี้มันไม่ได้เสื่อมไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับความสุขที่ได้จากการเสีรูปเสียงเกล่นรดต่างๆความสุขที่ได้จากการทำบุญมันจะติดอยู่กับใจมันจะเสื่อมก็ต่อเมื่อมันได้ไปรับผลบุญแล้วเช่<ม>นเวลาที่ตายไปแล้ว ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วก็ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นไปเรื่อยๆช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่บุญที่ได้ทำไว้จะค่อยๆเสื่อมตามตามวาระของมันแต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายบุญที่เราได้ทำกันในขณะนี้จะไม่เสื่อมไปจากใจทันทีทันใด ไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการเสพราบยศสรรเสริญการเสพรูปเสียงกิ่นล้นเป็นบุญที่เหมือนกับควันไฟได้มาแล้วก็หมดไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วแล้วก็มีความทุกข์ตามมาอีกด้วยแต่การเสื่อมของบุญนี้มันก็ไม่มีความทุกข์อะไรมันก็ทำให้ใจ กลับลงมาสู่ภาวะของการเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ท่านั้นเองแล้วก็ต้องมารับผลของการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือจะต้องพบกับความทุกข์ของร่างกายหรือร่างกายก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพาคจากสิ่งที่รักที่ชอบเป็นต้น แต่ถ้าได้ทำบุญชนิดที่ที่ยิ่งใหญ่บุญชนิดที่ยิ่งใหญ่นี้จะสามารถที่จะทำให้ใจนี้เมื่อได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปคือใจที่ได้ทำบุญในระดับมรรคผลนิพพานถ้าได้ทำบุญในระดับมรรคผลนิพพานแล้วนี้ใจจะ ไปไม่กลับจะไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเกิดในตายพบผิกต่อไปไม่ต้องมาเกิดในการมมาพบรูปรพบหรืออรูปรพบเนี่ยบุญเนี่ยมีคนมีประโยชน์ต่อจิตใจไม่มีโทษเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่มีแต่คุณมีจะประโยชน์ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วต่างกับ ความสุขที่ได้จากการเสพโลกธรรมคือลาบยบสลรเสริญรูปเสียงกลิ่นลดผลทพัชต่างๆเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่อำมพรางความทุกข์ไว้ที่จะโผล่ขึ้นมาเมื่อความสุขที่อำมพรางความทุกข์นี้จางหายไปแล้วก็ เป็นสิ่งที่จะทำให้ดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณนี้มีแต่ความอยากมีแต่ความหิวโหย<ม>แล้วก็จะพาให้ไปทำสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ผิดศีลธรรมแล้วก็ส่งให้จิตใจต้องไปเกิดในอบายไปในทุกขติแล้วหลังจากที่ใช้บาปกรรมหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็มาลิ่นลนมาหาโลกกรรมใหม่ต่อไปนี่คือสิ่งที่ความสุขที่เราไม่ควรแสวงหาคันก็คือความสุขจากลาบยศ ส, สรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเรายังต้องทำมาหากินก็ให้เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพเป็นหลัก ดังที่ในหลวงรัชกาลที่๙ เ, เคยส่งพระราชทานพระโอวาทเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการมีทรัพย์สมบัติเงินทองพอเพียงต่อการดำรงชีพเท่านั้นอย่าต้องไปดล่นหลนหาทรัพย์สมบัติเพื่อให้เกิดความน่ํารวย แล้วก็ใช้เงินส่วนกิ น, นี้ไปในทางที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจคือใช้กับของฟุ่มเฟือยใช้กับของหรูหราใช้กับของแพงๆซึ่งมันก็เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเอง mm hmm. แต่มันจะทำให้ใจนี้ต้องเกิดความหิวโหวยเกิดความอยากที่จะเสพความหรูหราความฟุ่มเฟือยอยู่เรื่อย แล้วถ้าเกิดมีปัญหาทางด้านรายได้ขึ้นมาเมื่อไหร่ตอนนั้นใจก็จะต้องดิ้นจะต้องทุกทรมานเหมือนคนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่มียาเสพติดให้เสพต้องระมัดระวังการหาความสุขในโลกนี้เป็นความสุขที่มีโทษกับความสุขที่ไม่มีโทษความสุขที่มีโทษก็คือความสุขจากการเสพ ลาบยศสรรเสริญการเสบ ร, รูปเสียงกลพพิ่นรสโผฏฐะพระชนิดต่างๆให้เรามาเสพความสุขที่มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ต่อจิตใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาต่อไปดังนั้นสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะศึกษาหาความรู้กันก็คือ วิธีสร้างบุญต่างๆของพระพุทธศาสนาว่ามีกี่วิธีมีวิธีไหนบ้างเพราะส่วนใหญ่เราจะเข้าใจเพียงแต่วิธีอย่างสองอย่างคือการทำทานการรักษาศีลและการภาวนาแล้วก็การอุทิศบุญกุศลเวลาที่เราทําบุญแล้วเราสามารถเอาบุญที่เราได้นี้ แบ่งอุทิศไปให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้แต่ยังมีบุญอย่างอื่นอีกที่เราควรที่จะรู้กัน<ม>เพื่อที่เราจะได้รู้จากวิธีทำบุญชนิดต่างๆ ต, ตามวาระอันสมควรต่อเหตุการณ์มไม่ได้หมายความว่าจำเป็นจะต้องทำบุญทุกชนิด<ม>ที่พระพุทเจ้าได้ทรงแสดงไว้<ม><ม>แต่ถ้ามีโอกาสมี อยู่ในวาระอยู่ในเหตุการณ์ที่คนรจะทําบุญชนิดนั้นก็เราก็จะได้ไม่เสียผลประโยชน์ไม่เสียโอกาสอันดีไปจึงควรที่จะรู้วิธีสร้างบุญสร้างคุศลให้กับใจว่ามีอะไรบ้างอย่างที่ได้พูดไว้บุญข้อแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือการทําทานทานนี่แปลว่าการให้การแบ่งปัน สิ่งที่เรามีเหลือกินเหลือใช้สิ่งที่เราไม่ต้องเอามากินเอามาใช้แต่เราก็มีเกินเป็นส่วนเกินเราให้ไปเราก็ไม่เดือดร้อนเราเก็บไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่จิตใจ<ม>นอกจากว่าเป็นส่วนที่เราต้องเก็บสำรองไว้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการอัตคัดขัดสงขึ้นมา เงินทองส่วนสำรองนี้ก็จะได้เอามาเป็นที่พึ่งของร่างกายได้ถ้าเราทำมาหากินแล้วรายรายได้มากกว่ารายจ่ายเราก็แบ่งส่วนเกินนี้ที่เราไม่ต้องเก็บเอาไวน้นี้เอาไปทำบุญเพราะใจเราก็ยังต้องการบุญกันอยู่เพราะใจของเรานี้ยัง ขาดบุญกันเป็นจำนวนมากเราจึงต้องเห็นความสำคัญของการทำบุญเพราะการทำบุญนี้จะทำให้ใจของเรามีความสุขมากขึ้นทำให้ใจของเราเวลาตายไปจะได้ไปถ้ายังไม่ไปหลุดพ้นไปถึงขั้นพระนิพพานก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุคติตายไปก็ไปสวรรค์ จากสวรรค์ ล, ลงมาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาทำบุญทำทานตามเดิมก็จ<นอ>ะเวียนอยู่ในระดับของสุคติของสวรรค์ชั้นเทพถ้าเราทำทำทานอย่างสม่าเสมอทำบุญอยู่เรื่อย<น plains>บุญบุญที่เกิดจากการให้ที่เราเรียกว่าทานทานแต่ว่าให้ใการให้ การทำบุญก็หมายถึงการให้นั่นเองบุญนี้เป็นผลที่เกิดจากการให้บุญนี้เป็นผลเกิดจากการทำทานเราไม่ได้แยกว่าเวลาเราให้กับพระเราเรียกว่าทำบุญเวลาเราให้กับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระเราเรียกว่าเป็นการทำทานความจริงมันเป็นการทำทานทั้งสองทั้งสองชนิด ให้ของพระก็เป็นเรียกว่าเป็นการทำทานเป็นทานอย่างหนึ่งให้ของผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระ mm. เช่นศรัทธาญาติโยม mm. ก็เป็นการทำทานเหมือนกันผลที่ได้รับก็คือความสุขใจอันนี้ก็คือเรียกว่าบุญนี่เองแปลว่าความสุขใจ mm. นั้นคาว่าบุญนี้คือการท ำ, ทำให้ใจมีความสุขและการที่จะทำให้ใจมีความสุขนี้มีหลากหลายวิธี หนึ่งในวิธีนั้นก็คือการให้คือการทำทานง mm. นั้นถ้าเราให้ในสิ่งที่เรามีเหลือเฟือไม่เดือดร้อน mm. ให้ไปนี้มันก็จะเกิดประโยชน์กับใจของเรา mm. ถ้าเราหวงเราเก็บไว้เรากลัวเราไม่อยากจะให้ใครเรามีความตนนี เงินส่วนนี้ของส่วนนี้ที่เป็นส่วนเกินก็จะไม่เป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราตายไปจิตใจก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเอาเงินส่วนนี้ไปทำทานเอาไปให้คนนั้นคนนี้ที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนก็ตามหรือให้เพื่อตอบสนองพระคุณแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณ อันนี้เงินก้อนนี้มันก็จะแปลงกายเป็นทรัพย์ภายในขึ้นมากลายเป็นบุญขึ้นมาที่จะสะสมไว้ในใจของพวกเราที่เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วบุญที่สะสมไว้ในใจของเรานี้ก็จะได้พาให้เราได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆกันทาง น, นี้ก็มีสิ่งที่เราให้ได้อยู่สี่สิ่งด้วยกัน สิ่งแรกที่เราให้กันอยู่เรื่อยๆก็คือข้าวของเงินทองต่างๆเรียกว่าวัตถุวัตถุทานการให้ข้าวของเงินทองนี้เรียกว่าวัตถุทานเป็นทานข้อที่หนึ่งการให้ด้วยข้าวของเงินทองถ้าเราเป็นคนที่โชคดีทำมาหากินแล้วมีเงินเหลือเฟือเหลือใช้หรือเกิดมาบุญกองเงินกองทอง ที่พ่อแม่ได้สะสมได้หามาให้เราไได้ใช้ซึ่งเราใช้ไม่หมดเอาไปใช้ของฟุ่มเฟือยเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ทําให้ใจของเรามีความสุขขึ้นมามากแต่อย่างใดถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขปอ้อมเป็นความสุขแฝงด้วยความทุกข์ความสุขที่อำพรางด้วยความทุกข์ที่จะตามมาเวลาที่เงินทองหมดจะเกิดความทุกข์อย่างมากแต่ คนที่เอาเงินเอาทองนี่ไปทำบุญทําทานแล้วเงินทองหมดนี้จะไม่เกิดความทุกข์เหมือนกับคนที่เอาเงินเอาทองไปซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยของแพงๆต่างๆเพราะว่าการทำบุญนี้มันทำให้ใจอิ่มใจพอใจไม่หิวไม่โหยเป็นเหมือนอาหารไม่ใช่เป็นยาเสพติดกินอาหารแล้วมันจะทำให้อิ่มเสพยาเสพติดแล้วจะทาให้หิวหิว จะต้องเสพยาอยู่เรื่อยๆถ้าติดการใช้ของฟุ่มเฟือยติดของการใช้ของหรูหราของแพงๆอันนี้แหละจะทำให้ติดเป็นนิสัยแล้วเวลาที่ไม่ได้ใช้แล้วจะรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจหรืออาจจะถึงกับเศร้าใจซึมเศร้าได้ถ้าไม่สามารถทำได้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน ดังนั้นถ้าเรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหลือกินเหลือใช้เอาไปทําประโยชน์ให้กับใจของเราเพราะใจของเราต้องการบุญบุญจะพาให้เราไปสวรรค์กันดีกว่าไปอบายหรือว่าไปเกิดแบบไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่มีฐานะการเงินการทองแต่อย่างไร อันนี้คือสิ่งที่เราควรทำถ้าเรามีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าที่เราจะต้องใช้กันเป็นส่วนเหลือส่วนเกินเอาไปแปลงเป็นบุญดีกว่าเพราะบุญจะพาเราไปสู่สวรรค์ขณะเรามีชีวิตอยู่เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่หิวโหยกับการที่จะไปหาลาบยศเสริญมาเสพกันป้องกันการ ให้วงกันไม่ให้เราไปติดยาเสพติดกันยาเสพติดของโลกกระมทั้งสี่นี่ น, นี่คือวัตถุทานถ้าเรามีมากเราก็ใช้วัตถุทานวัตถุเป็นเครื่องทำบุญทำทานถ้าเราไม่มีวัตถุทานแต่ถ้าเรามีความรู้เช่นเราเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆ เงินเดือนก็ไม่มากพออยู่พอกินไปไม่มีเงินเหลือเฟือที่จะเอาไปทำบุญทำทานเราก็สามารถทำบุญได้ด้วยการให้วิทยาทานให้วิชาความรู้สอนเด็กที่อยากจะเรียนพิเศษเช่นเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาอะไรต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนสอนฟรี อย่างนี้ก็ได้ทำมุญเหมือนกันเหมือนกับเราบริจาคเงินทองไปเหมือนกันถ้าเราไม่มีเงินทองเราสามารถเอาความรู้นี้เป็นของที่เราบริจาคได้ทานแบบนี้ท่านเรียกว่าวิทยาทานทานชนิดที่สามก็คืออภัยทานการให้อภัยบุคคลที่เขาทำให้เราเสียหายเดือดร้อนถ้าเราไม่ถือโทษกดเคืองเขา เราก็จะไม่ไปคิดทำร้ายเขาเพราะการไปทำร้ายนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจแต่การให้อาภัยนี้จะระงับใจที่จะไปทำความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วจะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์จะทำให้ใจเย็นใจสบายเวลาเรามีปัญหากับใครนี้อย่าไปมีเรื่องมีราวกันเพราะจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกัน เป็นการสร้างเจ้ากรรมนายเวรกันที่จะตามมาคอยมาเอาเรื่องเอาราวอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีการให้อภัยอยู่เรื่อยๆเราจะไม่มีเจ้ากรรมนายเวร<ๆ>ชีวิตของเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย<ๆ>อนนี้คือสิ่งที่เราให้ได้ชนิดที่ส<ๆ>ก็คือการให้ใหอภัย<ๆ>ชนิดที่สี่ที่เราสามารถให้ได้ ก็คือเวล่มเวลาเรามีร่างกายเราไม่มีเงินทองเราไม่มีวิชาความรู้แต่เราสามารถอุทิศร่างกายของเราไปทําประโยชน์ให้แก่สังคมได้เช่นไปเป็นอาสาสมัครทําคุณทําประโยชน์ให้กับองค์กรต่างๆที่เขาต้องการผู้ต้องการความช่วยเหลือจากคนที่มีเวลาว่างไปเป็นอาสาสมัครให้กับมูลนิธิต่างๆ เวลาที่มีเหตุภัยต่างๆเกิดขึ้นต้องการประดมกำลังคนไปช่วยเหลือผู้ผู้ที่เขาเดือดร้อนเวลาน้ำท่วมไฟไหม้เวลามีภัยต่างๆ<ม>เราก็ไปเป็นอาสาสมัครได้ถ้าเรามีเวลาว่างถ้าเราอยากจะทำบุญแต่เราไม่มีเงนินเราไม่มีความรู้เราก็ใช้เวลาของเรานี้เวลาว่างของเรานี้ มาทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อันนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างความอิ่มใจสร้างความสุขใจสร้างสวรรค์ให้กับใจได้เช่นเดียวกันและการให้อีกอย่างหนึ่งก็คือการให้ธรรมะค ำ, คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ไปศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้อ่านหนังสือที่เราเห็นว่ามีคุณมีประโยชน์อ่านแล้วทําให้ใจของเรานี้เย็นทําให้ใจของเรานี้กําจัดความทุกข์ในระดับบางระดับได้เคยมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นอนพอได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วทําให้หายทุกข์ได้หายเครียดได้เราก็สามารถเอาไปแบ่งเอาไปแจกให้ผู้อื่นได้ยิ่งในยุคนี้ การแบ่งธรรมะนี้ง่ายมากเพราะเรามีระบบของอินเทอร์เน็ตเนีเช่นเราไปอ่านธรรมะในในเพจใดเพจหนึ่งแล้วเจอข้อความที่ประทับใจอ่านแล้วเราทำให้ใจของเรานี้หายจากความเครียดได้เราก็สามารถแชร์ไปให้กับคนที่เรารู้จักได้การให้ธรรมะให้ความรู้แก่ผู้อื่นเพื่อเอาไปคลายความเครียดทางใจนี้ เราเรียกว่าเป็นเป็นการให้อีกอย่างเรียกว่าทานนี่คือวิธีการทําทานต่างๆที่จะทําให้ใจของเรานี้มีความสุขมีความอิ่มจะทําให้ใจเราไม่หิวโหวยกับการที่จะต้องไปหาราบยศสรรเสริญหาความสุขซึ่งจะเป็นซึ่งเป็นเหมือนยาเสพติดหาเราก็ต้องหาอยู่ไปเรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ แล้วถ้าหาโดยวิธีทุิจริตนี่มันก็จะทาให้ใจของเราเวลาตายไปนี้กลายเป็นเปรตไปได้ mm hmm. การทำทานตามหลักที่พรเจ้าทรงสอนนี้ mm hmm. ก็จะเป็นมาตรการที่จะป้องกันใจของเราไม่ให้ไปกลายเป็นเปรตต่อไปในอนาคตนั่นเอง mm hmm. จะทำให้ใจของเราเป็นเทพเวลาตายไปเราก็จะได้ไปเป็นเทพชั้นต่างๆ mm hmm. แล้วถ้าเรา อยากจะไปสูงกว่านั้นเราก็ต้องไปท ำ, ทำบุญที่สูงกว่าบุญที่สูงกว่าที่จะพาให้เราได้ไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าก็คือสวรรค์ระดับสวรรค์ชั้นพรหมการจะไปสวรรค์ชั้นพรหมได้ก็ต้องต้องมีการรักษาศีลต้องรักษาศีลเริ่มต้นด้วยที่ศีลห้าก่อนก็ได้ ถ้าเรารักษาศี่ห้าได้นี้เราจะป้องกันใจของเราไม่ให้ตกไปในอบายได้ mm hmm. ถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดโกรไม่เดื่มรุรายาเมา mm hmm. อันนี้จะเป็นการป้องกันใจของเราไม่ให้ตกลงไปในอบาย mm hmm. ตายไปจะไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุนลกายหรือไปนรก เพราะมีศีลห้านี้เป็นผู้ป้องกันไว้เป็นผู้ยับยั้งไม่ให้ใจตกลงไปแต่ถ้าอยากจะให้ใจขึ้นสูงกว่าสวรรค์ชั้นมนุษย์หรือสวรรชั้นเทพนี้จาเป็นจะต้องเพิ่มการรักษาศีลเป็นศีลแปดเพราะว่าการจะไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าชั้นเทพคือไปสู่ภพที่ไม่ต้องการจะใช้การเสพรูปเสียงกลิ่นรสเป็นเครื่องมือให้ความสุข ก็ต้องละการเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆในศีลแปดนี้ก็จะห้ามไม่ให้เราหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสศีลข้อสามก็จะกลายเป็นอรรมจริยาไม่หาความสุขจากการร่วมเพศ ก, กับผู้อื่นแล้วก็ไม่หาความสุขจากการดื่มและรับประทานอาหารเกินความจาเป็นเกินความต้องการของร่างกาย ดื่มอรับประทานอาหารเพื่อยางชีพได้เพื่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่แต่ไม่ให้ดื่มให้รับประทานเพื่อเพื่อเสพความสุขจากการดื่มจากการรับประทานก็ไม่ให้รับประทานมากจนเกินไปนั่นเองรับประทานอาหารเพียงแค่มื้อเที่ยงก็พอไม่เกินมื้อเที่ยงมื้อกลางวันหลังจากนั้นไปก็ไม่ให้ไม่ให้รับประทานอาหารอีกเพื่อที่จะได้ไม่ ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องการคอยมาหาความสุขจากการรับประทานอาหารแล้วจะได้เอาเวลาที่ว่างนี้ไปให้กับการหาความสุขทางใจคือการทำใจให้สงบจะได้มีเวลาได้ปฏิบัติภาวนาแล้วก็ต้องละเว้นการหาความสุขจากพวกบันเทิงและมหรสพต่างๆภาพยนตร์ ดูหนังฟังเพลงเนาะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภรรด้วยเครื่องสำอางต่างๆให้เอาเวลาที่ต้องหมดไปกับการหาความสุขเหล่านี้มาหาความสุขที่สูงกว่าที่ดีกว่าคือเรื่องคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ อันนี้เป็นบุญที่สําคัญและยากสำหรับผู้ที่จะต้องการกันมันไม่ง่ายถ้าเปรียบเทียบกับการสร้างสวรรค์ชั้นเทพนี้เพียงแต่เสียสละเข้าของเงินทองส่วนเกินไปเท่านั้นเราก็สามารถที่จะกลายเป็นเทพได้แต่การที่จะเปลี่ยนใจของเราจากเทพมาให้กลายเป็นพรหมนี้เป็นของที่จะต้อง ใช้ความพยายามมากกว่าเพราะจะต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการการที่เคยหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผธพทพะหาความสุขจากการทำบุญทำทานต่างๆเราต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขด้วยการมาภาวนาสมถะภาวนาทำใจให้สงบ และวิปัสสนาภาวานาสอนใจให้ฉลาดเพื่อที่จะทําให้ใจนี้ตั้งอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาถ้าใจได้เข้าสู่ความสงบนี้ hmm. ก็เรียกว่าใจได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหม hmm. คือการเข้าสู่ความสงบก็มีหลายระดับมีสองระดับใหญ่ๆคือระดับรูปฌานกับ네อรูปฌาน และในระดับของรูปฌปานอรูปฌานก็มีแ บ, แ, บแบ่งแบ่งย่อยไว้เป็นสี่ระดับรูปฌปานสี่อรูปฌานส<ม>ี่อันนี้ถ้าเราได้ภาวนาถ้าเราได้การได้รักษาศีลแล้วได้ไปหาสถานที่ที่เอื้อต่อการภาวนาเพราะการจะบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อทําใจให้สงบได้นี้จําเป็นจะต้องหาสถานที่ที่สงบก่อน เพราะถ้าไปภาวนาตามสถานที่ที่กระเทือกครุกโครงหรือสถานที่ที่หวานล้อมไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆจะทำให้การทำใจให้สงบนี้เป็นของที่ยากเพราะว่าจะมีของมาล่อใจมาดึงใจให้ไปไปเสพนั่นเองเนื่องจากใจยังมีความยินดีอยู่กับ รูปเสียงกลิ่นรสผดทภาอยู่เจเรเรียกว่ากามัันทะ <Okay. S 1> เราต้องการที่จะข้ามกามัันทะนี้ไปให้ได้ <Okay. S 1> ถ้าเราต้องการที่จะเอาใจของเราให้เข้าสู่ความสงบถ้าไปาไม่สามารถผ่านกามัันทะได้ก็จะไม่สามารถที่จะไปสู่ความสงบได้ <Okay. S 1> วิธีที่จะทำให้เรานี้ ผ่านกรารว่าฉันท่ได้ก็ขั้นที่หนึ่งก็คือให้เราไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสไปปีกวิเวกไปหาสถานที่ที่สงบสนัดปราจ萨ักรูปเสียงกลิ่นรสที่มายุ่ยยวนกวนใจอันนี้ขั้นที่หนึ่งแล้วขั้นที่สองเราก็ต้องหมั่นเจริญสติคอยควบคุมใจอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ถึงแม้เราจะไปอยู่สถานที่สงบสงัดวิเวกแต่ใจนี้มันยังมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ถ้าเราไม่มีสตินี่เราเผลอเมื่มอไหร่เดี๋ยวมันจะพาให้เราไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปคิดถึงขนมนมเ น, มนยคิดถึงอาหารคิดถึงเครื่องดื่มคิดถึงภา พ, พยนตร์คิดถึงเสียงเพลงอะไรต่างๆคิดถึงบุคคล น, นั้นบุตรคล น, นี้มอคิดแล้วมันก็จะทําให้เกิดความ กวนก歪กระสับกระสายเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาได้จนอาจถ้าไม่ทําให้ระ ง, งับมันทันท่วงทีมันก็อาจจะทำให้ไม่สามารถอยู่ในสถานที่วิเวกนั้นได้เพราะความอยากเสืู่โเสียงกลียดรถนี้มันจะดึงให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลนื้งกายทันทีก็อาจจะต้อง กลับบ้านหรื อ, อถ้าไปอยู่ที่วัดอยู่ที่วิเวกก็จะต้องกลับบ้านแล้วแทนที่จะไปถือศีลแปดก็อาจจะลดลงมาเหลือแค่ศีลห้าเพื่อที่จะได้กินข้าวเย็นได้จะได้ดูหนังฟังเพลงได้จะได้อยู่กับหลับนอนกับคนที่เรารักได้อันนี้ถ้าเราไม่ใช้มาตรการต่อสู้กับอันนี้เราจะไม่สามารถดึงใจของเราให้ออกจากการเสพการ ให้เราออกจากอำนาจของการมราจฉันทะได้เาฉะั้นเราต้องมีความเพียรความพยายามถ้าเราอยากที่จะยกระดับจิตใจของเรานี้ให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นที่มีความสุขมากขึ้นที่มีความทุกข์น้อยลงเราต้องเนี่ยต้องถือทาบุญด้วยการรักษาศีลแปดการรักษาศีลแปดนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะว่ามันจะทำให้ใจเรา สงบมากขึ้นถ้าเราไม่เพราะเราสามารถละเว้นจากการไปเสพรูปเสียงกลื่นลดได้เลยแล้วก็แต่ถ้าเราต้องการให้มันลดเว้นได้อย่างเต็มที่นี่เราต้องทำจิตให้นิ่งให้สงบให้ได้และการที่จะทำให้จิตให้นิ่งสงบแนี้นก็ต้องใช้การเจริญสติเพราะสตินี้เป็นเหมือนเบรกของใจเป็นเหมือนเบรกของรถยนต์ รถยนต์นี้จะหยุดรถได้เวลาวิ่งนี้จะต้องเหยียบเบรกกันถ้าเบรกเสียนี้ก็จะหยุดรถไม่ได้ฉันในใจที่คิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนคิดอยู่เดียวคิดอยู่กับเรื่องการม่ฉันทะอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสตินี้เราจะห้ามความคิดมันไม่ได้ถึงแม้เราจะไปอยู่ที่เปลียววิเวกที่สงบแต่ถ้าใจเราคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆนี้ เดี๋ยวมันก็จะดึงให้เรากลับไปหารูปเสียงกลิ่นลดจนได้ดังนั้นถ้าเราตั้งใจที่จะไปฝึกจิตไปทําจิตให้สงบเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้นจากระดับเทพไปสู่ระดับพรมเราต้องถือศีลแปดให้ได้แล้วเราก็ต้องไปหาที่สงบไปปีกวิเวกแล้วเมื่อเราอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกแล้วเราก็ต้องมีสติคอย ควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยเพราะมันจะคิดไปหารูปเสียงกดลิ่นรสในที่สุดไม่ช้าก็เร็วฉนั้นอย่าไปปล่อยให้ใจคิดการควบคุมใจไม่ให้คิดมันจะได้ประโยชน์สองอย่างมันจะห้ามไม่ให้ใจวิ่งกลับไปหารูปเสียงกดลดิ่นรสแล้วมันจะทำให้ใจนิ่งให้สงบได้เวลาที่เรานั่งสมาธิการยริญสตินี้ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้น เราต้องเจริญตลอดระยะเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย mm hmm. เพราะว่าถ้าเราไม่เจริญสติเมื่อไหร่ความคิดมันก็จะทํางานทันทีแล้วมันจะมันก็จะคิดไปทางกามฉันทะทันทีดัง mm hmm. นั้นถ้าเราต้องการที่จะระ ง, งับกามฉันทะต้องการทําใจให้สงบนี้ mm hmm. เราต้องคอยควบคุมความคิดตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาปับ๊บพอมันจะเริ่มคิดเราก็ใช้สติตหยุดมัน สติที่จะใช้หยุดความคิดได้ก็มีหลายวิธีด้วยกันเช่นการบริกรรมพุทธโธพุทธโธนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งหรือการสวดมนต์ก็ได้อิติปิโสสวดมนต์บทใดบทหนึ่งที่เราเข้าใจจะสวดสั้นสวดยาวก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความพอใจแต่เราต้องคอยควบคุมความคิดตลอดเวลาซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้ําบริกรรมพุทธโธคาเดียว เรลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเราพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถไ ป, ไปนึกไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ได้แต่ถ้าเราไม่มีพุทโธนี่พอตื่นขึ้นมาเราจะเริ่มคิดเลยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดแล้วก็จะทําให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วแทนที่จะทําให้เราไปนั่งสมาธิได้เราก็นั่งไม่ได้ ไปนั่งสมาธิก็เกิดอาการอึดอัดเพราะมีความอยากจะไปทำนู่นไปทำนี่ไปดูนั่นไปดูนี่นี่คือความสำคัญของการฝึกสติถ้าต้องการที่จะนั่งสมาธิแล้วเกิดผลคือทำใจให้รวมเป็นเป็นฌานเป็นปนาสมาธิขึ้นมาได้นี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคอยควบคุมความคิดไว้ด้วยสติตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาช่วงที่มานั่งเท่านั้นเอง ถ้ามาฝึกสติตอนที่นั่งเช่นมานั่งเรามาสวด ต, ต, ติปิโสหรือมาพุโทโธหรือมาดูลมหายใจเข้าออกนี้กาลังของสติมันจะมีไม่มากพอที่จะใบยับยั้งความคิดต่างๆได้มันก็มันก็จะแข่งกันเราดูลมไปมันก็จะแข่งคิดคิดไปเราพุโทโธไปมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปได้สักพักก็เกิดอาการเจ็บ ปวดขึ้นมาตามส่วนต่างๆของร่างกายก็จะทําให้ไม่มีความสามารถที่จะนั่งต่อไปได้เพราะใจไม่อยากจะนั่งนะเพราะมันไม่สบายอยากจะลุกก็ทําให้การนั่งสมาธิล้มเหลวไม่เป็นผลฝึกมากี่ปีก็ได้แบบนี้นี่แสดงว่าสติมีกําลังมไม่มากพอเพราะไม่ได้ฝึกสติมามากพอนั่นเอง ดนั้นต้องกลับไปฝึกสติให้มากก่อนก่อนที่จะมานั่งสมาธิได้ต้องฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาแล้วก็ฝึกพุทโธพุทโธไปลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเดินก็พุทโธไปเข้าห้องน้ําอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปเรื่อยๆเพราะกิจกรรมเหล่านี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้ความคิดอะไรอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่มีความจําเป็นอย่าต้องคิดแต่ถ้าสมมุติว่ามีความจําเป็นอย่าต้องคิดในเรื่องงานเรื่องการหรือเรื่องธุระอะไรก็หยุดพุดโทโธได้แล้วก็มามีสติอยู่กับความคิดที่จําเป็นเท่านั้นพอคิดเสร็จรู้ว่าจะต้องทําอะไรวางแผนเรียบร้อยแล้วก็กลับมาอยู่ที่พุโทโธต่อหยุดคิดต่อแล้วก็กลับมาเตรียมตัวไปทํา งานที่ต้องการจะไปทำอาบน้ํานั่งหน้าแปลงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารออกเดินทางช่วงที่ยังไม่ได้ไปทําภารกิจที่ต้องทําก็พุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องทําภารกิจต่างๆและ ต, ต, ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับภารกิจเหล่านั้นเราก็ค่อยมาเราก็หยุดพุทธโธไปแล้วก็ให้มีสติอยู่กับ ก, บการทําภารกิจต่างๆเพียงอย่างเดียวอย่าให้ใจไปเผลอไปคิดเรื่องอื่น ให้อยู่กับงานการที่เราต้องทำเท่านั้นพอเสร็จงานเสร็จการพอมันจะไปคิดเรื่องอื่นเราก็ใช้พุทโธหยุดมันต่อไปต้องคอยควบคุมความคิดที่ไม่จำเป็นอย่าปล่อยให้มันคิดเพราะคิดแล้วมันจะทำให้ใจคิดไม่หยุดไม่หย่อนและเวลาที่จะมานั่งสมาธิจะทำให้มันหยุดความคิดไม่ได้นั่งแล้วแทนที่จะสงบกับกับฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะไม่มีไม่มีการควบคุมความคิดไว้ล่วงหน้าไว้ก่อน น, นี่คือเรื่องสำคัญในการที่จะยกระดับจิตจากระดับระดับเทพขึ้นสู่ระดับพรหมและระดับอริยบุคคลนี้ต้องอาศัยการถือศีลแปดและการบำเพ็ญจิตภาวนาขั้นที่หนึ่งของการภาวนาก็คือยกระดับจิตให้ขึ้นจากการเป็นเทพให้คือให้ขึ้นไปสู่การเป็นพรหมการจะเป็นพรหมได้จิตจะต้องเข้าสู่ความสงบ ในระดับฌานต่างๆได้สู่ระดับฌานสู่อัปปนาสมาธิจิตรวมตั้งอยู่ในความสงบปราศจากความคิดปรุงจต่งต่างๆเหลือแต่อารมณ์เดียวคือสักแต่ว่ารู้รู้อยู่เฉยๆรู้ว่าใจว่างรู้ว่าใจเย็นรู้ว่าใจสงบรู้ว่าใจมีความสุขอย่างยิ่งแต่ไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกไม่ไ ม, มีความนึกคิดอย่างอื่นโผล่ปรากฏขึ้นมาอันนี้แหละคือการวิธียกระดับ ความสุขของจิตจากชั้นเทพมาสู่ชั้นพรหมต้องอาศัยการเจริญสติอาศัยการถือศีลแปดอาศัยการไปปริกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดต่างๆและอาศัยความเพียรพยายามที่จะหมันเจริญสติอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่เราจะหยุดการเจริญสติหรือเวลาที่เราจะต้องใช้ ใช้ความคิดไปกับการทำงานต่างๆที่จำเป็นต้องทำนั้นถ้าไม่มีความจำเป็นยังต้องใช้ความคิดแล้วอย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยต้องคอยหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็ว5้านาทีสิบนาทีใจก็จะนิง่งจะเย็นพอใจนิง่งใจเย็นแล้วร่างกายจะเจ็บจะปวดอย่างไรนี้จะไม่มีปัญหาต่อใจในขณะนั้น เพราะใจจะรู้สึกเฉยๆกับความรู้สึกของทางร่างกายเวลาใจสงบนี้ใจจะเป็นอุเบกขาไม่มีอารมณ์ไม่รับรู้ไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่มาให้สัมผัสรับรูบร้เช่นที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายจะเฉยๆจะนั่งเฉยๆได้เป็นระยะเวลายาวนานอันนี้คือการยากระดับความสุข ให้ขึ้นจากระดับเทมาสู่ระดับพรหมแล้วถ้าอยากจะยกระดับให้ขึ้นไปสู่ระดับอริยบุคคลก็ต้องปฏิบัติจิตตภาวนาขั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาคือจําเป็นที่จะต้องมีการสอนใจให้รู้จักวิธีรักษาความสงบเวลาที่ออกจากสมาธิออกจากฌานมา เวลาที่อยู่ในฌานอยู่ในสมาธินี้ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องทำอะไรเพราะใจมีความสุขใจนิ่งสงบแต่พอออกจากสมาธิมานี้การมฉันทะหรือกิเลสที่ถูกกําลังของสมาธิกดไวน้นี้จะเริ่มออกมาทำงานใหม่จะเริ่มเกิดความอยากไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพภะเกิดความอยากจะไปห า, าลาภยศสรรเสริญใหม่ เวลานั้นนะเป็นเวลาที่จะต้องมาสอนใจให้เห็นว่าลาบยศสรรเสริญและความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลพพิ่นรสผลถพาานี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขอัมพรางความทุกข์อยู่เพราะไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่ได้มานี้จะต้องมีวันหมดไปเวลามันหมดแล้วความสุขที่ได้จากมันก็หายไปแล้วสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือความเศร้า ความเสียใจความเหงาใจจะตามมา ท, ทันทีอันนี้เราต้องสอนใจให้เข้าใจให้ได้ว่าการไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาลาบยศสรรเสริญมาเสบนี้เป็นการไปหาความทุกข์เพราะเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นความสุขที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเราไม่สามารถสั่งให้ความสุขที่เราได้มานี้อยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอด มันไม่สามารถทำได้ได้อะไรมาปั๊บเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปละบางทีของที่เราได้มายังไม่หายเลยแต่ความสุขที่เราได้จากของนั้นมันหมดไปละถ้าอยากจะได้ความสุขแบบเดิมอีกก็ต้องไปหาของใหม่มาไปซื้อของใหม่เช่นวันนี้ซื้อของมาชิ้นหนึ่งดีใจมีความสุขกับมันเดี๋ยวไม่กี่วันความสุขที่ได้จากของนั้นมันก็หมดไป มันก็เลยทำให้เราอยากจะไปหาความสุขใหม่เราก็ต้องไปซื้อของใหม่เนี่ยมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะคอยหลอกให้เราต้องคอยไปหามาเรื่อยๆแล้วถ้าเราเกิดมีอุปสรรคขาดเงินขาดทองไม่สามารถที่จะไปซื้อของที่เราอยากได้มาเวลานั้นใจของเราก็จะเสียใจของเราก็จะเศร้าจะหมองจะไม่สดชื่นเบกิกบานไม่มีความสุข ถึงแม้ของต่างๆที่เราได้ซื้อมามากมายกายกองยังอยู่กับเราแต่มันไม่มีความหมายกับใจของเราเสียแล้วดูมันก็รู้สึกเฉยเฉยไม่มีความรู้สึกไม่มีความสุขเหมือนตอนที่ได้ซื้อมาใหม่ๆนี่คือสิ่งที่เราต้องคอยสอนใจให้เรารู้ว่าของต่างๆที่ตัณหาความอยากต้องการไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณไม่ว่าจะเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชาย ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเป็นยศเป็นรางวั ล, ลต่างๆที่คนต่างๆขันหาการวิ่งหากันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเองินทองกันของต่างๆเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเหมือนเป็นเป็นความสุขที่อำพรางความทุกข์เวลามันหมดไปเวลามันจางหายไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่คือความทุกข์ใจคือความไม่สบายใจความเศร้าใจความเสียใจ แล้วมันเป็นของที่เราไม่สามารถไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่มีใครไปสามารถไปบังคับธรรมชาติได้ธรรมชาติเขามีกฎมีกติกาของเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไป<ม>เปลี่ยนไปจากสุขกลายเป็นทุกข์ไป<ม>ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าถ้าเราไม่ต้องการถ้าเราไม่อยากจะเจอความเศร้าความเสียใจความเหงาก็อย่าไปหาสิ่งหาความสุขจากโล ก, กธรรมทั้งสีน่นี้อย่าไปหาความสุขจากล า, าบยศสรลเสิริญจากรูปเสียงกลกิ่นรสผดสะพ้าต่างๆให้เราหยุดหาความสุขถ้าเราหยุดความอยากได้ใจที่เรากระวนกระวายที่หงุดหงิด จากการที่มีความอยากมันก็จะหายไปแล้วพอความอยากหยุดปั๊บความสงบความเย็นของใจก็จะกลับคืนมาทันทีทำให้ใจอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรอันนี้แหละเป็นความสุขแท้เพราะการที่มีไม่มีอะไรให้ความสุขไม่มีอะไรมาทำให้เรามีความสุคนี้มันก็เป็นของที่ถาวรเพราะการไม่มีอะไรงี้มันไม่ต้องไปหาอะไรการไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไร เวลาไม่มีอะไรแล้วเราอยู่ยังมีความสุขได้นี่เราก็สบายปัญหาของพวกเราทุกคนทุกวันนี้ก็คือเราอยู่โดยไม่มีอะไรไม่ได้เราต้องมีลาบบ้างต้องมียศบ้างต้องมีสรรเสริญบ้างต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผดกระพาะชนิดนั้นชนิดนี้มาให้เสพบ้างแล้วพอได้มาก็สุขเดียวเดียวแล้วเดียวมันก็จางหายไป แล้วก็ต้องไปหาใหม่ไปหาราบใหม่หายศษาสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผดทพ่าใหม่ทำอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้มันก็ยังไม่มีวันจบมันไม่เคยถึงวันอิ่มวันพอเพราะความสุขแบบนี้มันไม่ให้ความอิ่มความพอมันกลับสร้างความหิวสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าวิธีที่จะทําให้เราหยุดปัญหานี้ได้ก็คือต้องหยุดทําตามความอยาก อยากได้ลาบก็ไม่ไปหาอยากได้ยศก็ไม่ไปเอาอยากได้สรรเสริญก็ไม่ไปแสวงอยากได้รูปเสียงกิ่นรวก็ไม่ไปเสกอยู่กับใจที่เฉยๆดีกว่าตัดตัดความอยากให้ได้สู้กับความอยากถ้าเราไม่ไปทาตามความอยากเดี๋ยวความอยากที่มันคอยผักดันใจเราให้ไปหานู่นหานี่มันก็จะหมดกำลังไปเองพอ เ, เวลาความอยากหมดกาลังแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสงบ ความสงบแบบที่เราได้จากการเข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌานแต่เราไม่ต้องเข้าฌานแล้วถ้าเราใช้ปัญญาเพียงแต่คอยระ ง, งับความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเองอยากไปกินไปดื่มก็ไม่ไปตัดปุ๊บพอตัดปุ๊บความอยากมันยอมแพ้ปุบ๊บความหิวก็หายไปความอิ่มก็โผล่ขึ้นมาโดยที่ต้องไม่ต้องไปกินไปดื่มอะไรใจอิ่มซะแล้วที่ไปกินก็ไม่ได้ทําให้ใจอิม่มเพียงแต่ทาให้ร่างกายอิ่มท่นั้นเอง แต่ใจไม่อ si ิ่มเดี๋ยวก็ใจก็หิวอีกเดี๋ยวก็อยากกินอีกแต่ถ้าเราตัดความอยากกินอยากดื่มได้ต่อไปความอยากกินอยากดื่มมันจะไม่โผล่ขึ้นมาอีกใจของเราก็จะไม่หิวไม่มีความต้องการต้องกินต้องดื่มอีกต่อไปถ้าจะกินจะดื่มก็ต้องเพราะความจำเป็นของร่างกายเท่านั้นเองก็กินก็ดื่มมันตามเวลาเหมือนกับกินยาเท่านั้นเองแต่ไม่ไปกินตามความอยากอีกต่อไปนี่คือวิธีที่จะทาให้ใจนี้ มีความสงบมีความสุขอย่างถาวรใจที่มีความสุขสงบอย่างถาวรนี้เรียกว่าเป็นใจของพระอริยบุคคลมีสี่ขั้นด้วยกันคือขั้นโสดาบันขั้นส ก, กิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอนาหารหัน ความสงบหรือความสุขของแต่ละขั้นก็มีมากน้อยตามลําดับ <rồi S 1> ขั้นที่หนึ่งก็มีความสงบมีความสุขมีความอิ่มในระดับหนึ่งแต่ก็น้อยกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองก็น้อยกว่าขั้ น, น, นที่สามขั้นที่สามก็น้อยกว่าขั้นที่สี่พอได้ <rồi. S 1> ขั้นที่สี่ก็จะได้ความอิ่มความพออย่างถาวร อ, อย่างเต็มร้อยเราสามารถกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้หมดเลย พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจก็จะมีแต่ความอิ่มความพอไปตลอดไม่มีความอยากได้ลาบยศเสรเสรไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผดกระเพาะอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากได้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีความอยากที่จะมาเกิดไม่ต้องการมีร่างกายไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายการเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปพอใจที่ได้ชำะความอยากให้หมดสิ้นไปยากใจแล้ว เรียกว่าใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวุกท่านเหล่านี้ท่านไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอิกต่อไป mm. ก็เหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดมันถูกกำจัดด้วยปัญญาด้วยปัญญาคือการเห็นใตรักในสิ่งที่อยากได้ mm. เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา mm. ก็เลยไม่ไปทําตามความอยากพอไม่ทาตามความอยากความอยากมันก็หยุดมันก็หมดกาลังไปเอง พอหมดแล้วก็ไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปหาอะไรอีกต่อไปใจก็อยู่กับความสงบอยู่กับความอิ่มอยู่กับความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดเรียกว่าพระ น, นิพพานใจที่ใจที่มีความสุขตลอดเวลามีความสงบตลอดเวลาใจที่ปราศจากความอยากตลอดเวลาเรียกว่าพระ น, นิพพานนี่คือการยกระดับขั้นสูงสุด ข, ของใจ ด้วยการทำบุญชนิดต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทากันส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มจากขั้นขั้นแรกกันก่อนคือขั้นรักษาศีลป้องกันใจไม่ให้ไปอบายศินห้าแล้วก็ทำบุญทำทานตามกำลังก็จะส่งให้ใจเราไปสวรรค์ชั้นเทพแต่ถ้าเราอยากจะไปสูงกว่า น, นั้นเราก็ต้องไปบวชกันบวชชีบวชพราบวชพระบวชอะไรก็ได้บวชสั้นบวชยาวก็ได้แล้วแต่ การต้องมีการเริ่มเริ่มเริ่มกระทําไปก่อนพอเริ่มกระทาไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะทํามากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติต่อไปเราก็จะมีมีแต่การภาวนาสมถภ า, าวนาวิปัสนาภาวนาสนับสนุนด้วยการรักษาสีแปดขึ้นไปถ้าเราปฏิบัติไม่ไม่หยุดไม่หย่อน ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะไปถึงพวา น, นิพพานกันเราก็จะได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของบุญที่พระเจ้าทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราให้พวกเรามาศึกษาแนะนำไปปฏิบัติเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์ที่แท้จริงต่อจิตใจก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอยาขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะเวหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานัง e อุปการปฏิยิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีคายุโกภวะ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 หลังจากเลิกแล้วจะไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะต้องมีงานอย่างอื่นต้องทำต่อจะถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้อ น, นี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่ เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานาคุดจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ440ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์267 YouTube ด r V 114วิทยุออนไลน์4คลับ H าส15นาคุต261รวมทั้งหมด 1,101 ท่านค่ะมีคำถามก็เชิญถามได้เลย คำถามจากทาง Facebook ค่ะต้องทำอย่างไรบ้างคะทำบุญแล้วตายจากโลกนี้ไปแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกค่ะก็ต้องไปบวชนฮะบวชแล้วก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทำทานก็คือสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดยกให้คนอื่นไปแล้วเราก็ไปตัวเปล่าๆไปอยู่แบบนักบวชแล้วก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ก็จะไปถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะเกี่ยวกับการรับขันรับขันจากครูหมอควรรับหรือไม่รับครับถ้ารับปากแล้วไม่รับจะเป็นการผิดสัจจะไหมครับไม่มีขันหรอกมีแต่ธรรมะ ไปหาครูไปหาธรรมะอย่าไปเอาขันไม่ต้องการไปอาบน้ำเอาขันเลยเราต้องการเอาธรรมะไปชำระใจให้สะอาดชำระใจด้วยธรรมะด้วยศีล ส, สมาธิด้วยปัญญานะรับศีลสมาธิปัญญารับไปแล้วก็ต้องเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้ารับไปแล้วไม่ใช่ก็เหมือนกับเอาเงินไปแล้วก็ไปเก็บไว้เฉ ย, เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ได้ไปล้ได้ของไปแล้วต้องเอาอไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับใจของเราก็คือปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิและปฏิบัติปัญญาใจก็จะได้นิพพานขึ้นมาต่อไปคําถามจากทาง facebook ค่ะผู้ร่วงรับเขาจะสามารถรับรู้ได้ไหมคะว่าใครเป็นคนทําบุญไปให้คะถ้าเขามีความสามารถคือมีอภิญญาเขาก็จะรู้ถ้าเขาไม่มีเขาก็ไม่รู้ วนนี้ยังไม่มีคําถามค่ะคไม่มีก็เอาแค่นี้นะมีใครอยากจะถาม<ข>ไหมให้มีนะข อ, ขออีกคําถามหนึ่งค่ะจากทาง Facebook ค่ะเมื่อกําลังสติไม่ดีจะมีความง่วงเข้าแทรกเวลานั่งสมาธิใช่ไหมครับใช่มันมีกิเลสก็มาแทรกกรรมฉันทะบ้างความง่วงนอนบ้างความทุ้งซ่านบ้างดังั้นต้องมันฝึกสติให้มากๆก่อนที่จะมานั่ง ควจะฝึกได้ทั้งวันเลยเนี่ยตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธพุโทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปดึงใจไว้อย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบง่ายแล้วไม่ง่วงไม่หลับไม่ฟุ้งซ่านคําถามจากเฟซบุก ค, ค่ะ คนที่ตายไปแล้วไปเกิดในภพใหม่ทำไมถึงลืมอดีตชาติของตนไป ท, ทั้งทั้งที่เป็นจิตดวงเดิมคะเรายังลืมเลยเมื่อวานนี้ไปทำอะไรมาบ้างเราแล้วนี่ทั้งปีทั้งเราเกิดมากี่สิบปีแล้วทำอะไรไปบ้างเราแทบจะจำไม่ได้เราเด็กๆ เ, เราเคยทำอะไรบ้างมันลืมไม่หมดนะ ข, ข้อมูลมันเยอะเราก็จะจำได้แต่เหตุการณ์ใกล้ๆตัวในปัจจุบัน แต่ถ้าคนที่มีความจำดีเวลาเขาเข้าสมาธินี่เขาสามารถระลึกชาติได้อย่างพระพุทธเจ้านี่ระ ล, ลึกชาติได้ชาติาที่แล้วเป็นพระเวสสันดรมาเกิดแล้วก็มาทำบุญตายไปก็ไปเป็นเทพบนสวรรค์อยากเทพก็กลับลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะถ้าเป็นคนที่มีความจำดีแล้วมีความสามารถเข้าสมาธิได้ลึกจะสามารถระลึกชาติได้ จากทางเฟ e บ o o k ค่ะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้พระอนาคามีคะต้องละกรรมกรมฉันกมชฉันท่นและกรรมราคะเคยความอยากร่วมหลับนอนกับผู้ต้องตัดตัดคำว่าเซ็กไปแล้วไม่มีเซ็กไม่อยากได้เซ็กกับใคร <c oughs> ก็จะเป็นพระอนาคามีได้คำถามจากทางย t ทู e ค่ะ เรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะพรุ่งนี้ถ้าจะมากราบพระอาจารย์ของที่ระลึกยังมีเหลืออยู่ไหมครับก็<น> <BR Y> วัดดวงเอาก็รักกันม่สามารถจะกําหนดอนาคตได้แล้วแต่แล้วแต่แแตบุญแต่ว่าสนาก็แล้วกันถ้ามีบุญมีวาสนาก็จะได้เพราะของพวกนี้บอกตรงหน้าไม่ได้เดี๋ยวบอกมาเดี๋ยวจะลุมกันมามี <c oughs> วันนี้ไม่ได้บอกใครตรงหน้าเง <c oughs> ี้ยพอถึงเวลาก็เห็นว่าจังหวัดดีก็โอเคเอามา แต่ถ้ามาวันพวกนี้ไม่ได้จแจกอะถ้าต้องการต้องมาขอต้องมาบอกเพราะมีน้อยไม่สามารถจะแจกให้หมดได้ทุกคนก็แล้วนะคาถามจาก YouTube ดร์วีค่ะจะมีวิธีห้ามจิตอย่างไรไม่ให้คิดในเรื่องการมารมณ์ครับก็นี่แหละให้ฝึกสติให้หยุดความคิดด้วยสติด้วยพุโทโธพุโทโธนะพอหยุดได้แล้วก็ให้มันคิดไปทางอสุภาพแทนคิดถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกาย มองเข้าไปใต้ผิวหนังดูกระดูกดูปอดดูตับดูไตดูลำไส้อะไรต่างๆนี้ให้มันคิดอยู่ถึงเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปมันก็จะไม่มีการอารมณ์เกิดขึ้นคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะพระมีภรรยาแต่ยังมีคนศรัทธามาก เราจะบอกญาติโยมที่หลงศรัทธาหรือแล้วแต่เวรกรรมถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราเรามุ่งชําระนิสัยไม่ดีของเราดีกว่าเจ้าคะยังไงนะไม่เข้าใจคาถามน้หมายถึงว่าพระท่านมีภรรยานะคะแล้วก็ยังมีคนศรัทธามากเราควรจะบอกญาติโยมที่หลงไปศรัทธาหรือแล้วแต่เขาดีคะบอกศรัทธาเรื่องอะไรเหรอไม่เข้าใจมีศรัทธายา <c oughs> เราไม่เข้าใจคาถามน้อง <c oughs> ใครใครเข้าใจลงแปลให้หน่อยเลยเข้าใจไหมหนูเข้าใจว่าเหมือนกับพระท่านพระท่านพระท่านผิดศีลมีผิดศีลมีภรรยาอย่างเงี้ย น, นะคะอ่าหรือเปล่าค่ะแล้วก็ยังมีคนศรัทธามากอยู่อะค่ะ๋อะไม่ถึงไปทำปรราลชิกแล้วคิดพอ <ถา S 2> จาัการให้นภาแล้วก็วเป็นภาพปลอมไปอยู่แบบภาพปลอมไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะมีแนวทางการปฏิบัติให้เป็นอรหันต์โดยที่ไม่บวชเป็นพระได้ไหมคะได้ก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันจะเป็นพระหรือเป็นโยมก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้มันได้เต็มร้อยมันก็ได้นิพพานเหมือนกันได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันงแต่ว่าถ้าเป็นพระก็เหมือนขึ้นทางด่วนมันไปเร็วกว่าใช้เวลาน้อยกว่ากว่าขับรถที่อยู่ใต้ทางด่วน เพราะว่าใต้ทางด่วนมันก็มีสีแยกไฟแดงมีอะไรรถสวนไปรถสวนมาแต่ถ้าวิ่งไปบนทางด่วนนี้มันจะไปทางเดียวไม่มีแยกไม่มีรถสวนมันก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วกว่าถ้าเป็นคาราวามันก็มีเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนนั้นคนนี้มาเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยๆก็ทาให้การปฏิบัติมันชะงักได้ แต่ถ้าเป็นพระนี้ก็จะไม่ค่อยมีเรื่องอะไรไปอยู่คนเดียวในป่าในเขายัางหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านหนีไปอยู่เชียงใหม่คนเดียวแล้วนั่งก็บรนโนในป่าในเชียงใหม่นั่นเนี้ยค่ะคําถามจากทาง Facebook ค่ะถ้าจะเริ่มต้นการนั่งสมาธิคือต้องเริ่มด้วยการกําหนดลมหายใจและพุโทโธ ถ, ถูกต้องไหมคะไม่ต้องเริ่มตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยก่อนที่จะมานั่งสมาธิต้องตั้งสติอยู่เรื่อยๆก่อน ใช้คําว่าพุโทโธพุธโทโธไปหรือเฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ําอย่าไปคิดถึงเรื่องกินข้าวอย่าไปคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้ให้อยู่กับเรื่องอาบน้ําเพียงอย่างเดียวไปเรื่อยๆอยู่กับเรื่องงานที่เราทําอยู่หรืออยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปจนกว่าเราจะมานั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิเราจะใช้พุโทโธแล้วก็พุโทโธต่อไปถ้าเราจะดูลมเราก็มาดูลมที่ปลายจมกูกเท่านั้นเอง